การตั้งใจสำรวมใจข้างทนให้แน่วแน่การสำรวมใจนี่เนะี่ยเป็นความดีพอตั้งแตกไหนจะอะไรมาเราไม่เคยสำรวมใจให้แน่วแน่มีแต่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันจึง เป็นใจที่ไม่สงบประงับไม่หนักแน่นเหตุจังนั้นกิเลสมันจึงลบกวนเอาได้ตาเห็นรูปก็เคยความกำหนยินดีในรูปนั้นหูได้เพียงเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็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 เมื่อใจวันไหวแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ระเปล่าต้องไปแสวงหามานี่การแสวงหานั้นไม่ใช่มันได้มาง่ายๆไอ้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็มีคนอื่นชอบอยู่ด้วยต่างคนว่างแย่งกันกระทึงเกิดประหรัตประหานกันขึ้น ใด้ถึงถึงความฉิบหายลงไปอันหมูนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบกรมคุณนี้ไว้เหมือนยังซากศพของสัตว์ที่ตายลงแล้วเขาเอาทิ้งไว้บนดินบรรดาพวกแลงกาสุนัก นักกิ้งจ脚ก็ยื้อแย่งกันกินตัวใดมีกำลังเหนือกว่าตัวนั้นตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวใดมีกำลังน้อยก็ถูกเพื่อนคมเหงเอาได้กินแต่น้อยกว่าจะได้กินก็แสนยากแสนลำบากนี่ข้ออุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นน่ะ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 จะต้องมาละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ผลละที่เหตุคือความยินดีผมพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละถ้ารักความพอใจเสียได้ราคะธหามันก็สงบลงรักความไม่พออกพอใจเสียได้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 แต่บ้านหลังนั้นมีหน้าต่างอยู่เก้ากล่องมีประตูอยู่ทางเข้าทางหนึ่งเก้ากล่องได้แก่ทวารทางเก้านั่นเองประตูนั้นได้แก่ปากนี้แนหะ จิตใจมันก็เข้าออกเข้าออกอยู่นี่เองเอการที่มองเข้าไปในเรือนหลังนั้นเห็นมันว่างไม่มีผู้มีคนไม่มีสมบัติอะไรเปรียบได้โยคาวจรเจ้าทั้งหลายจเจริญสมาธิทำใจสงบเนื้อมาเพ่งดูร่างกายอันนี้ เห็นแต่ของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่มีตัวตอนอยู่ที่ไหนเลยสักหน่อยเดียวอันนั้นก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ำนั่นก็ธาตุไฟนั่นก็ธาตุลมอันช่องว่างต่างๆเช่นช่องหูช่องจมูกเป็นตน้นเหล่านี้ก็เป็นอาก า, าศธาตุช่องว่างอันนั้น ก็เป็นอากาศธาตุความรู้สึกทั่วร่างกายสังขารนี่ก็เป็นวิญญาณธาตุทุกอย่างมีแต่เฉพาะว่ธาธาตุทั้งนั้นเมื่อเราเพ่งดูด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยแต่คนส่วนมากมันไม่ต้องมันขาดความเพียร มันไม่พยายามเพ่งดูโมเมาประมาทอย่างว่านั่นแหละไม่ไดเ้เพ่งดูความจริงของร่างกายเพราะเหตุนั้นมันจึงติดจิงคล้องอยู่ในร่างกายนี้มันจึงไม่ภาคเพียนพยายามปรงวางเมื่อญญมันยึดมั่นอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนแล้ว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 ถ้าไม่พิจารณาบ่อยลังก็หลงตีงัดดังนั้นให้พิจารณาบ่อยๆ บ, ยบุรีกะโตพิจารณาให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริง เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะโดย ก, การทั้งพวงนีันตามพุทธภาสิตนี่บุคคลจะสิ้นจากทุกข์จะละเอตแห่งทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามเมื่อมองเห็นว่ากิเลสนี่มันไม่ใช่ของดี มันลบกควรจิตใจใเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดยังยอมเป็นท่าแ่งตนหนาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็ยอมหมกเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารใ้เป็นวงกลมทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่อย่างนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะยอมทุกข์ เพราะตัณหาเนั่นแหละมันยอมใจมันให้เกิดความกระลายินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยั น, นี้ทุกอย่างไงก็แล้วแต่มันนั่นแหละบคคนปล่อยตัณหาครอมงํามมันเป็นอย่างนั้นแหละแม่รู้อยู่ว่าทางนี้เป็นทางไปสู่ทุกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หยุด มันก็ยอมจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็อยอมนี่แหละบุคคลผู้เป็นธาตแห่งตันหามันจึงได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไถนเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ผู้ยังตกเป็นธาตแห่งกิเลสตันหาอยู่เนี่ยบางคราวทำดี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 ความทุกข์ก็เกิดมาแทนอย่างนี้แล้วนักปราบัตทั้งหลายท่านจึงไม่คล่องอยู่ในความสุขชั่วคราวมุ่งแสวงหาสันติสุขอันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับผีหลตั่หาหน้อยใหญ่ทางปวงอันนั้นเป็นความสุขบริสุดทธิ์สดใสจริงๆเป็นความสุขที่ ไม่เจออยู่ด้วยทุกข์ดังนั้นพุทธครณษัตว์ทางลายควรสแสวงหาความสุขอันไม่ได้เจออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นความสุขรวนร่วนมันไม่ได้มีความเศร้าใจในภายหลังบุคคลติดอยู่ในความสุขชั่วคราว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 แม้ว่าผู้จะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตนามาก่อนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัว ก, ก็ยังไม่สายเกินไปยังมีหนทางที่จะต้องฝึ ก, กจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้โยเพราะว่าเมื่อลมหายใจยังมีโย มันก็มีความคิดความนึกได้มีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่การทำความดีน่ะนะถ้ารม้มหายใจหมดเมื่อใดนะ่ะมันถึงไม่ได้ไม่ได้ทำต้องให้ตั้งใจลงอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราตั้งใจให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรม เหมือนก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นความสุขอันสดใสไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลกลในรายการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกจะเจรินสมถะวิปัตนาก็เพื่อสอนจิตนี่แหละให้เห็นโทษแห่งขันท่าให้ปรงให้วางขันท่า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 ไม่สนใจเลยโดยมันมองเห็นว่าถ้าปล่อยถ้าวางขันห้านี้เราจะไปอิงอาศัยสิ่งได้มันถึงจะมีความสุขได้มองไม่เห็นทางเหตุนั้นแหละทีงไม่สนใจฟังเลยโค้สนใจในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งขันห้า อันนี้แสดงว่าผู้นั้นฟังธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทำเลยพราะทุกสิ่งทุกอย่างยอมสาเร็จด้วยการกระทาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันสาเร็จไปเองไม่ใช่มันสาเร็จได้ด้วยการกระทาอุบายแอบคลายในใจส่วนร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรหรอก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 แล้วเกิดปัญญาแล้วมันจะมองไปตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าใจยังวอกแวกกวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสอยู่กิเลสมันจะบันดาลไม่ให้ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูร่างกายสังขารนี้กิเลสมันจะกันท่าไว้เลย มีแต่มันเปราะมันจูงใจให้เพลินไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสวนนึกมาถึงร่างกายนี้แทบจะไม่มีเลยหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งอันจะเอาสติเข้ามากรวดกาดูจิตความคิดความนึกของตนอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรม เมื่อเป็นเช่นนี้มันจะหลุดพ้นจากขันห้าไปได้อย่างไรขันห้านี้อุปมาเหมือนยังกรงขังนกกระทาหรือนกเขานกกระทากับนกเขานมีนิสัยต่างกันนกเขานั้นได้กินอาหารดีแล้วก็มีตั้งแต่ร้องลำทำเพลงให้เจ้าของฟังหรือมีนิสันกันน เคยอยู่อืมไม่คอนคอยว่าจะออกจากกรงนั้นเลยส่วนนกกระทานั่นน่ะถึงแม่ใครจะจับมาเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีร่วง ม, มาแล้วเป็นหลายปีก็าตามแต่มันกินอิ่มแล้วมันก็วนเวียนที่จะออกจากกรงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยพอมันเห็นตากรงนั้นหลวมตัวมันเมื่อใด มันก็บินหนีเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ภาวนาเข้าใจสงบแล้วมองเห็นขันหานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นของคับแคบทำให้อึดอัดใจมากกันมาอาศัยอยู่ในขันหานี้นะ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 เคียงโย่บางคนก็รู้ได้นแหละตามตำราแล้วก็รู้ได้นั่นแหละรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รับรู้ต่อเมื่อน้อมจิตเข้าไปมันสงบระงับลงไปเป็นหนึ่งแล้วจึงใช้ปัญญาจิบจกขนานั้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นจิตก็เห็นด้วยจึงได้เกิดนิพพิทาก็เมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็พิจารณาเหตุถึงเหตุถึงผลของขันธ์ห้ามันเกิดมาได้อย่างไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าบุญและบาปแลนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้น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 นักปราชญ์ทั้งหลายท่านภาวนาพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใครพึงใจเหล่านี้แหละปัญญามันย่อมมองเห็นได้ชัดๆเลย แม้จะได้สัมผัสก็สัมผัสเป็นที่ไม่น่ายินดีพอใจเพอเดี๋ยวก็สัมผัสร้อนเดี๋ยวก็สัมผัสสัมผัสกับความหนาวเดี๋ยวก็สัมผัสกับความเจ็บปวดอวัยวะตรงโน้นตรงนี้ ต, ต้องบีบต้องนวดต้องหายามาทาต้องรับประทานยาเข้าไปตามหมอสั่งบางทีมันก็สงบร่างบับ ไ, ได้ถ้ายา มันแรงแรงกว่าโรคมันก็ทำให้โรคนั้นสงบไปถ้าโรคมันมีกำลังกล้ากกว่ายายาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่หายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าไปโอนแอเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วตั้งใจฝึกตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระเจ้าดัง พารามานี่นะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวตาสงสารได้โดยไม่ท่องเที่ยวอยู่ได้นานดังแสดงมา